นี่แหละคือช้างใหญ่ฉะนั้นชานุสโสนิพรามก็เลื่อมใสพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิต